อริยบทสยืนเดินนั่งนอนอันนี้คืออริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเดินนั้นคืออะไรเดินก็คือว่าเดินก้าวเดินตามปกติแต่ให้มีสติในการก้าวเดิ น, นเรานั่งก็เหมือนกันไม่ใช่ว่านั่งยองๆนั่งท่าไหนนั่งท่าไหนก็ได้แต่ว่าให้นั่งที่ถูกต้องจริงคือนั่งขัดสมาธิเพราะว่าศูนย์กลางจะได้ตรงตรงตัว แต่ถ้าเอามานั่งพระเพียบอย่างเดียวนี้มันก็หนักข้างนี้ไปถ้าหนักครั้งนี้ก็หนักครข้งนี้ไปแต่ถ้านั่งขัดสมาธิอะไรครับมันการวางตัวขาอะไรมันจะวางชงตัวได้อันนี้ก็คือการนั่งสมาธิการนั่งพระเพียบภาวนาไม่ได้อย่างไม่ใช่ได้จะนั่งเก้าอี้ได้ไหมก็ได้อแต่ว่าการที่ถูกต้องจริงๆคือนั่งขัดสมาธิคือนั่งขัดสมาธิเนี่ยอันนี้ก็คือการนัง่งเดินก็เหมือนกัน ถ้าเดินก็เดินตามปกติแต่ให้มีสติในการเดินนอนก็เหมือนกันถ้านอนก็คือนอนท่าไหนก็ได้แต่ว่าให้นอนถูกต่างก็คือสีหาสายหยาดนอนตะแคงขวาถ้างอนตะแคงซ้ายได้ไม่ได้แต่มันใครก็มันทับหัวใจมันจะแน่นทางด้านหนึ่งแต่นอนหงายได้ไหมก็ได้แต่บอกสูตะแคงตะแคงขวาไม่ได้อันนี้คือ การนอนของการนอนภาวนาต้องเสียหายยากยืนก็เหมือนกันเราจะยืนจะไงก็ได้แต่ถ้าว่ายืนที่ถูกต้องก็คือยืนมีฝากระดานพิงมันจะไม่โงอเงินในการยืนถ้าว่าเรายืนธรรมดามันจะยืนไปนานไปสุดมันมันจะโงอเงนเอีนั่นแหละพอยืนนานการยืนพิงพิงต้นไม้และพิงฝากระดาน่จะยืนได้นานกว่า อันนี้ก็คือให้รู้ว่ายืนเดินนั่งนอนวิธีการยืนทํำยังไงวิธีการเดินทํำยังไงวิธีการนั่งทำวิธีการนอนทํำยังไงแต่ตามไม่จริงทั้งอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทด้มันบอกว่ายืนเดินนั่งนอนท่านเองแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่านก็บอกว่าการเดินอย่าเอามือไ่ว้หลัง เดินมือค่อยลังเหมือนท่านักเลงเท่านั้นท่ามือกอดอกเหมือนคนเจ้าทุกเท่านั้นเออเหมือนกับคนมีทุกมีการเดินเออถ้าเดินอย่างนี้ใครเข้าวัดมันเหมือนกับท่าไม่เคิรบเท่านัออท่าเดินตามลำพังต้องลักษณะท่าลำพึงทําออกมือประสานเนี่ยให้เข้าว่าท่านี้เป็นว่าท่าคิดท่าลำพึงท่าไข้ควรท่าตรึกตรองเท่านั้นเถอะเออ เนี่ยที่เราเห็นพระที่ว่านั่งเดินโยมท่านยืนพระยืนจะนั่งอย่างนี้อืมอันนี้ท่านท่านจะให้เดินอย่างนี้แต่บางบางบางคนนึอวังท่านอ่ะท่านก็นเดินอย่ JI, uh, nee. <S <S อยางนี้ก็มีนะอในขณะเดินเดินท่านเดินอย่างนี้ก็มีโดยมากคุณแม่คุณแม่ชีแก้วนะเวลาท่านเดินนย่างผมท่านจะทําอย่างนี้เออท่าเดินของท่านนะแต่โดยมากเห็นครูบาอาจารย์เดินไม่แต่ท่านทำอย่างนี้แต่ท่าไม่ให้เดินมือควยหลังอย่างที่ว่านะ โดยมากสายหลงปูมันนะแต่ว่าสายอื่นหลงพอไหมว่าบางทีท่านก็เดินมือคุ้ยหลังกันก็มีบางท่าอแต่ในหลงหลวงหลวงปูมันเนี่ยท่านไม่ให้เดินครูบาอาจารย์หลงปูล่าลงเวลาเดินยักรมท่านก็หลงตาเหมือนกันท่านจะเดินเนี่ยรูองค์ไหนท่านจะเดินนะกันมือประสานอย่างนี้ทันทีท่านจะไม่เอามือเอามือคุ้ยหลังถ้าบอกก่าเอามือคุ้ยหลังเนเดินเหมือนทานนักเลง เอามือกอดอกทอี่นี่ก็เหมือนเหมือนกับเจ้าทุกข์ถอกไหมมีเห ม, มือนกับมีมีความทุกข์ในใจอย่างั้นเถอะเน่ยถ้าวันเดินไกวแขนนี่นก็เหมือนกับถ้าธรรมดาเกินไปขาดความเคารพเนี่ยเวลาเดินกลมกัใครวบบถ้าเดินอย่างนี้ไปวันรู้แล้วว่าถ้าเดินยังกลมเหมือนกันการเดินยังกลมแต่และองค์จะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้คือบางองค์ก็สะดวกเรียกว่าสัปปายะนั่งมากกว่าเดิน บางองค์นอนมากกว่ายืนแล้วเดินบางองค์ก็มากกว่านั่งแต่โดยมากครูบาอาจารย์ที่รูรเ้เห็นกันดูมีแต่เดินกับนั่งจะมากกว่าโดยมากมีแต่นั่งแล้วก็เดินเดินแล้วก็นั่งอันนี้จะมากแต่ว่าโอ้ผมเนี่ยภาวนาทางนอนดีกว่าไม่ค่อยได้ยินมีแต่นอนเข้าไปมันก็หลับทั้งนั้นเถอ ถ้ายืนเนี่ผมภาวนาผมยืนเดิยืนยืนภาวนาเนี่ดีกว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเวลายืนเข้าไปนานๆแล้วมันโงนเงยนโงนเงียนอย่มันโงนเงียนเหมือโดยมากจะเห็นได้ยินแต่ว่าเดินกับนั่งสองเรียบทนี่มากกว่าแต่ที่นี้เวลาเดินเนี่ยเราจะเอาเดินขนาดไหนมากน้อยอย่างไงแค่ไหนหรือนั่งเราจะนั่งมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนี้ก็คือจุดแท้แต่พูดที่ปฏิบัติ เราต้องดูการเทสะการสถานที่ซะก่อนแต่บางครั้งเนี่ยเราเดินยืงกรมก็จิตมันทําไมมันไม่สงบทําไมมันปุงฟุ้งเ อ, อ้าพยายาม บ, าบังคับเฮ้ยอยู่ให้มันอยู่กับก้าวเดินก้าวขาเดินจนบังคับจนมันจิตอยู่ในความสงบเป็นหนึ่งได้ด้วยว่าจิตพอสงบพอสมควรแล้วจะค่อยออกมา อ, อ่อันนี้คือครูบาอาจารย์บางองค์ ที่ท่านอย่างหลวงปู่บัวนะหลวงปู่บัวหนองแซงน่ะถ้าจำไม่ท่านเป็นพระน้อยหนุ่มท่านบวชท่านมีครอบครัวแล้วท่านยังบวชแต่เมื่อท่านบวชท่านไปเดินยังกรมอยู่ที่บ้านห้วยทรายพวกโยมอาโยมหน้าของของหลวงพ่อเนี่ยนะเห็นฉันจะหานเสร็จแล้วท่านเดินยังกรมทัานขนาดฝนตกในท่านยังกั้งร่มเดินยังกรมกั้งร่มเลย ทางของท่านเนี่ยเป็นโศกเป็นเหวเลยว่างั้นเถอะท่านบอกว่าถ้ามันจิตไม่สงบจะไม่จะไม่ขึ้นจากทางเดินกลมเดินทุกครั้งต้องให้จิตสงบถ้ามันจู่ย่างมากก็ต้องให้อยู่กับตัวเองซะก่อนให้ให้นิ่งพอสมควรจึงจะออกจากงทางเดินงกลมถ้าไม่ถ้าันาจิตยังไม่สงบจิตยังคึกขนองจะเดินเยมันเอาจะมันอ่อนล้าเลยว่างั้นเถอะเอออันนี้ก็คือเป็นแนวทางปฏิบัติของ ของแต่ละองค์งท่านนะแต่ว่าตามไม่จริงการเดินอย่างนั้นที่จะทําให้จิตสงบในขณะที่เดินมันยากกว่าการนั่งเพราะว่าการเดินเป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวในอริยบทของร่างกายแต่ว่าจิตสงบได้ไหมได้ขณะที่จิตสงบในขณะที่เดินได้ไหมได้เวลาเดินไปจิตสงบเนี่ยมันจะเท้ามันจะชิดกันเองเลย มันจะหยุดนิ่งโดยอัตโนมัติอันนี้คือขณะที่เดินยังกลมกจิตสงบจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแค่ใมันหยุดไมนจะหยุดก้าวทันทีเลยนิ่งเลยสติกับกจิตจะหยุดเป็นอัปปนาสมาธิเลยในขณะนั้นได้ในขณะที่จิตสงบนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของได้ง่ายแต่ถ้าเอาลงได้ได้ลึกมาก อจำไม่ลืมเลยงั้นจิตสงบที่ขณะที่เดินยืนกลมกนะเอแปลว่านิ่งนิ่งจริงจรองแต่ในเมื่อเราเดินเดินพอประมาณแล้วใจของเราเออเข้าอยู่ไม่คึกไม่ขนองไม่ไม่ออกนอกรูกของทางออกจากทานเดินยืนกรมปุ๊บเข้ามานั่งเลยเข้าประจําที่คือเรากำพื้นมาถึงกุฏิได้ที่พักเราก็กราบพระ ไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วรีบนั่งเลยให้มันต่อเนื่องเพราะในขณะที่เดินเนี่ยใครล้ายๆวันเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันจะให้ทําจิตสงบในในยากแต่ที่เราก็พยายามบังคับให้จิตมันสงบอยู่ในขณะที่เดินแต่นี้มันไม่มันไม่สงบแต่มันก็มันก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่จากนั้นเรามานั่งสมาธิทีนี้มันต่อเนื่องกับตรงนั้นอะ่ะอันนี้จิตจะสงบ ได้ง่ายขึ้นเพราะมันต่อเนื่องกับในการเดินนั้นนะออันนี้เนี่คนคควรจะเป็นอย่างนั้นถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาคือโดยมากใจของเราเนี่ยจะให้มันนิ่งทีเดียวเลยก็คงจะเป็นไปได้ยากคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเรามีความพยายามนะมีความพยายามมีความมุ่งมั่นในขณะที่เรานั่งสมาธิแต่ละครั้ง ในขณะที่เรานั่งเนี่ยใจของเราเป็นยังไงใจของเรามันคล้ายๆเออใจช่วงนั้นมันขี้เกียจคิดเนี่ยคล้ายๆใจเออมันนิ่ง ๆ, ๆ, ๆไม่เช่อว่ามันจะคึกทุบคึกกระหนองทุกครั้งไม่ใช่นะเออใจให้สังเกตดูแต่คราวนี้เออใจมันไม่ไม่อยากคิดในเมื่อไม่ต้องคิดเราก็กำลัดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันนิ่งไปเลยแต่ถ้าว่าโอ้คราวนี้เอาไมา่อยู่หรอกมันมีเรื่องมาที่จะต้องได้คิด นมันต้องมันมันเอามาอยู่ในเมื่อมันไม่อยู่นะเราก็ปล่อยปล่อยให้มันคิดให้มันอยู่ในกายแยนครของเราเอีอ่ยแต่แต่ผมขนเล็บฟันหนังเแื้วเอ็นกระดูกไล่ไปหรือว่าเราเราไล่กระดูกก็ได้สมมติเราไปเห็นกระดูกโครงกระดูกเออที่โรงพยาบาลโลกโครงกระดูกเนี่ยแล้วให้ไปเราให้สังเกตดูแล้วมันเป็นลนนักษณะนี้เราให้สังเกตดูโครงกระดูกเออมันมีหัวกระโหลกอย่างงั้น จมูกมันเป็นอย่างนั้นตามันหัวอย่างนี้ขากไกลมันเป็นอย่างนั้นคอมันเป็นอย่างนี้แขนมันเป็นอย่างนี้หายปลาไปอย่างนี้นสี่โคงมันเป็นอย่างนี้กระดูกขามเปน็นี่กระดูกเชิงกานของเราหัวเข่าไปนะี่แข้งไปนะี่ฝาา่าเท้าไปนี่เราดูดีจากนั้นให้เรานั้งดูเราทีนีน้ให้ดูกระดูกของเราถามว่าเราเรามีโครงกระดูกไหมอยู่ในนี้ ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเป็นโครงกระดูกแน่ๆตามที่เราเห็นเห็นเห็นโครงกระดูกนั้น น, นี่แหละพยายามดูตั้งแต่เท้าจนมาศีรษะศีรษะลงเท้าเท้าและศีรษะไม่ใช่ดูครั้งเดียวนะดูหลายเที่ยวหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายครั้งนะนี่แหละอันนี้เมื่อดูในร่างกายทุกส่วนเมื่อกระดูกเราเห็นตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะที่จะ ในความรู้สึกของเราเราเห็นท่อนไหนที่ชัดเจนที่สุดเราเห็นกระโหลกศีรษะเราเห็นกระดูกแขนหรือก็เห็นกระดูกชี้โคงรงแล้วเห็นกระดูกหลังแล้ว เ, เห็นกระดูกไหนในเมื่อเราเห็นกระดูกชัดเจนที่สุดเมื่อเราดูหลายๆเที่ยวแล้วเราเอาสติจับจึดทุกทั้งไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปที่อื่นที่แรกคือคือเราดูทบทวนดูอเแต่ดูดูแล้ว เราเห็นในความรู้สึกของเราชัดจุดไหนเราสติอยู่จุดนั้นไม่ให้มันเคลื่อนเลยดูกำหนดดูนดั่นแหละจะทำให้จิตสงบได้อันนี้ท่านท่านบอกปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ความคิดของคิดนั่นคือปัญญาแต่ตัวปัญญาตัวนี้ให้เข้ที่เราคิดบางทีมันอาจจะแรกไปโดยสัญญาและสังขาร สังขารคือความปรุงแต่งหือสัญญาคือความจําได้หมายรู้มันไปมันไปอยู่จุดนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามเป็นวิถีของปัญญาในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นเกิดปัญญาแต่อันดับแรกมันก็ต้องเป็นสัญญากับสังขารซะก่อนถ้าเราไม่ปรุงไม่คิดมันก็อยู่นิ่งมันก็เป็นสมาธินั่นกับปรุงนิ่งถ้ามันปรุงไปถ้าเห็นตามความเป็นจริงมันก็เป็นปัญญาถ้าว่ามันมันพลิกล็อกไปอีกทางหนึ่งมันไปสุดตรงอีกข้างหนึ่ง อันนั้นแปนว่าเป็นสมุทยัยเหตุให้ทุกเกิดเป็นสังขารให้ดูนึงอั น, น, นเวทนาเวทนาสักวสเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของหลับการนั่งมันต้องปวดการนั่งก็รธรรมดามันก็ต้องปวดเพราะเรายังไม่ตายใช่ไหมเออถ้าคนตายแล้วไม่ปวดแน่วางั่นอันนี้มันต้องปวดแต่ว่าการปวดเนี่ย บางทีพอนั่งหน่อยเดียวมันก็ปวดแล้วงนันถือเอออันนี้อันนี้อันนี้อันนี้มันเกินไปว่างั้นอันนี้เราก็ต้องอดทนนะเ อ, อเราก็ถือว่าออไม่ใช่ว่านั่งสมาธิจะไม่ปวดแข้งปวดขาอย่างนั้นก็คงจะไม่ใช่เ อ, อแต่เวลาเรานั่งเอดูหนังฟังลําดูโทรทัศน์เนี่ยนั่งนานเท่าไหร่มันปวดปวดแข้งปวดขาเรายังพิกได้ใช่ไหม เอออันนี้นั่งสมาธิจะไม่ให้ปวดเลยมันคงจะเป็นไปไม่ได้แต่นั่งอย่างนั้นใจเราชอบเลยเออเราก็ยังยังก็เรายังทนได้ใช่ไหมแต่ จ, จึงพลิกทางนั้นพลิกการนี้ทนต่อการปวดอันนี้การนั่งสมาธิจะไม่ให้ปวดเลยก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องปวดแต่ว่าการปวดตัวนี้เราจะใช้วิธียังไงพอปวดแล้วปวดนั่งสมาธิมันไม่ปวดปวดูหนังฟังลำนะ ปวดดูหนังฟาลาปวดนัก็ยังมองอีกว่างั้นยัยากจะฟังต่อยอแต่ปวดสมาธิพอปวดแล้วมันออกเลยว่างั้นเถอะถอยหลังกูดเลยว่าอยากจะออกเลยไม่สู้ว่างั้นอะตัวนี้นะเราเราต้องอาศัยการบังคับต้องสติบังคับเราก็พิจารณามันปวดที่ไหนปวดที่เขาใช่ไหมปวดที่เอวใช่ไหมใครเป็นคนว่าปวด ใครเป็นคนให้ความสาคัญในการปวดใจของเราให้ความสาคัญใช่ไหมถ้าคนตายละ่ะแต่คนตายไม่มีวิญญาณไม่มีใจละ่ะมันปวดไหมมันไม่ปวดเอาทำไมมันไม่ปวดเพราะใจไม่รับรู้ในเมื่อใจไม่รับรู้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปรับรู้มันสิเราจะไปให้ความสาคัญมันสิทดลองเลสิกายก็คือกายใจก็คือใจแยกเลยสิ อันนี้ก็คือวิธีวิธีการแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายอันนี้ถ้าถ้าแยกได้อย่างนั้นมีประโยชน์มากในอนาคตเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนากล้าขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้เราจะไม่ทุรนทุไลกับเวทนาที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือเราพยายามเริ่มแยกเนีในขณะที่มันปวดเราก็แยกดูพยายามแยกอยู่บ่อยๆเนีดูซิมันปวดเราจะอดตายไหม เออมันปวดอย่างเนี้ยเออถ้าว่าคนตายล่ะขวานสับเข้าไปมีดฟันเข้าไปไฟเผาเข้าไปมันเจ็บไหมมันไม่เจ็บทำไมมันไม่เจ็บเพราะมันมีไม่มีใจเพราะนั้นถ้ามันเป็นไม่มีใจนะั่นเราก็รู้แล้วว่ามันมันใจของเรา เ, เราก็อย่าเจ็บสิเออแยกแยกเอาสิดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเออให้คําว่าเอาใจของเราออกจากร่างกายให้ดวนึงอัน น, น เวทนาสักวเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่กองหลับมันเกิดขึ้นมาแล้วมันกระดับเอียเพราะ ใ, ใจเราจะไปแบกมันเวทนาอันนี้ก็คือวิธีการแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายถ้าเป็นได้อย่างนี้ดีดีมากๆเป็นประโยชน์สําหรับตนเองต่อไปในอนาคตถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่ทุรนทุรายเออไม่ใช่คอยนี่ร้องเไม่ใช่อย่างนั้นเออให้รู้ เวลาเวทนาขึ้นมาปุ๊บเออเออถึงข้าวแล้ ว, ลวเรยนี่เออถึงข้าวมาถึงข่าแล้ ว, ลวเลยนี่เออข่าได้เจอหนักแล้วเวทนาตนัวนี้ถึงไงก็เถอะเราพิจารณาข้าวก่อนๆเราพิจารณาแต่ลูกหลานเวทน า, านปัณฑิตปู่เวทนามาหาเราแล้ววะเอออันนี้เราก็จะได้รู้ใช่ไหมเออมันมีลูกมีหลานในเวทนามันมีหลายขั้นตอนเลยหิวกระหายกัเวทนา หายใจเข้าหายใจออกนะี่คเวทนาเจ็บแข้งปวดขาก็เวทน า, ว า, เ, วทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเวทนามีสองเวทนาทางจิตนันก็คือทุกขเวทนาสิ่งที่มีความทุกขสิ่งที่กระทบเข้ามาทางจิตใจสิ่งพอใจสิ่งไม่พอใจถ้าสิ่งที่พอใจเข้ามาสุเขเวทนาถ้าสิ่งที่มไม่พอใจเราผิดทุกเขเวทนาเวทนาเข้ามา ทางใจมีสองทางกายก็มีสองเหมือนกันถ้าเรานอนหลับกินอาหารอร่อยอันนี้ก็กว่าสุขเวทนาถ้าว่ามันหิวมันกระหายปวดหนักปวดเบาอย่างนี้อันนี้ว่าทุกขเวทนาเนนั้นเทเวทนามีสองการสำรวมทุกทุกท่านต้องสำรวมระวังให้ระมัดระวังนะสำรวมกาย วาจาใจตามไม่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าการสำรวมอินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัทสี่แต่สำหรับพระสงฆ์ที่อยู่ภายในเรียกว่าเป็นแนวหน้าท่านก็ให้เน้นหนัก หนักมากกว่าคารวาสญาติโจรแต่ว่าการสัมรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านนะทุกทุกท่า น, นะนต้องสัมรวมระวังให้ละมัดระวังนะสัมรวมกายวาจาใจอันนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเคยยกเป็นชาดกขึ้นมานะหลวงพ่อจะยกเป็นชาดกให้จําง่ายนะ ให้จำได้ไง่ายๆสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสวยพระชาติเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพมทัตในพระเจ้าพมทัตนั้นอ่ะมีลูกทั้งร้อยคนมีลูกทังร้อยคนอันนี้ทําไมลูกมากอันนี้หลวงพ่อไม่โกงจะหลายแม่นะอแต่ทั้งยังไงก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็รับ ไปเป็นลูกทั้งหมดทั้งร้อยท่านตอนนี้มีเจ้าฟ้าชายองค์สุดท้องพระประเจกมาฉันที่บ้านมาฉันในพระราชวังทีนี้ฟ้าชายองค์เล็กเนี่ยองค์หนึ่งวาบบ่างันกราบไหว้สักการะบูชาพระประเจกพุทธเจา้าแต่องค์อื่นๆทั้งเกาเคารพเหมือนกันเพราะว่าพระบิดาเป็นสมมาทิติหนึ่งพระประเจกว่ากันเป็นผู้พูดน้อยแต่ว่า รู้อดีตอนาคตทอนี้ฟ้าชายองค์เล็กเนี่ยก็ไปกราศพระประเยกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขาดข้าพระองค์จะได้จะได้สวยราศไหมจะได้คลองราศไหมในเมืองพระรานศรีนี้พระประเยกบอกว่าไม่ได้เพราะว่าฟ้าชายตั้งเก้าสบเกองค์ตัวเองจะไปองค์สุดท้ายจะไปสวยราชได้ยังไง ไม่ได้พระเจว่าว่าไม่ได้เพราะพระเจ้าพี่เขาต้องคลองราดแล้วข้าพระองค์จะมีโอกาสที่จะได้คลองราชไหมมีโอกาสแต่มีโอกาสแต่ว่าต้องอินทรีย์สังบอนจึงจะได้ถ้าไม่รักษาอินทรีย์สังบอนนะั้นไปไม่รอดท่านี้พระเบเกพระพทิจารังบ่อจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรพระองค์ว่าเนี่ย เดี๋ยวนี้เมืองนู่นน่ะเขากำลังพระเจ้าแผ่นดินจะสวรรคตจะสวรรคตอยู่เมืองนู่นถ้าว่าฝ้ายชายนะจะต้องเดินทางถ้าเดินทางไปแล้วไปด้วยความสำรวมระหว่างที่สุดคือเห็นคือตามลายทางเนี่ยจะมียักษกินี จำแรงตัวเป็นคนดีเข้ามาทักทายตัวเฉพาะเป็นผู้หญิงเข้ามาเขาจะเชิญเชิญว่าให้พักผรอนนะให้ทานอาหารนะกินข้าวนะพักนอนที่นี่นะเขาจะรับรับรองแต่อันนั้นไม่ใช่มนุษย์นะเป็นยักษ์นะแต่ถ้าว่าท่านเป็นผู้สำรวมตาอยากมองไม่หมกถึงเขาจะพูดดีก็ไม่ฟัง เออทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจใจเป็นวันแน่วแน่ถ้าว่าท่านท่านทำได้อย่างนั้นท่านจะไปถึงจุดหมายปลายทางท่านจะได้คลองลาดเออลาดรลดจะมาพาดมาเกยท่านแต่ถ้าว่าท่านไปติดไม่สำรวมระวังแล้วท่านจะถูกเอเพวกจะกิดเนี่ยกินแน่ถ้าว่าท่านจะสำรวมได้ ไปได้แต่ถ้าท่านไม่แน่วแน่ในตัวเองอย่าไปไปแล้วต้องเป็นเป็นนะเป็นเยือเป็นเดือแน่แต่ไนี้ฟ้าชายใช่งหาไปได้เราเข้มแข็งพอพอรู้แล้วเนี่ยเนจะไปติดข้องแวะทำไมใครจะพูดยังไงจะไม่สนจะไปให้ถึงแต่นี้พอจะฟ้าชายจะออกไปจะเดินทางว่า คนทั้งหลายก็รู้แล้วว่าฟ้าชายจะเดินทางอพวกทหารมหาดเล็กทั้งหลายแก็ที่สนิทสนมกันขอติดตามไปด้วยฟ้าชายโว้ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มไปผมจะไปคนเดียวไม่ไมถ้าขอไปด้วยเอ้าจะไปก็ไปได้แต่ต้องระมัดระวังนะต้องแน่วแน่นะเออมหาดเล็กทั้งหลายก็ใช่จะแน่วแ่เพราะองค์ว่าอย่างไงผมก็ต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็พอเดินไปพอเดินเดินเดินไปก็ มันเหนื่อยใช่ไหมพอมันเหนื่อยก็เห็นพวกสาวๆเข้ามากับมาชักชวนก็เลี้ยงเอาหงหายกัแวะตามข้างทางพอข้างทางเสร็จแล้วก็นั้นพวกนั้นก็เลยเป็นอาหารของของยักษ์ทั้งหมดแต่ฟ้าชายอยางนี้แปลว่าได้รับคําสั่งหรือว่ารับคําจากพระประเจกพุทธเจ้าแล้วท่านดูใจของท่านตลอดเวลาเลยอยากจะดูไม่ดูอยากจะฟังไม่ฟัง ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพรารู้แล้ววะเนี่ยคือจะเป็นพิษเป็นภยัยพอในุ้กเดินไปจนถึงเจ็ดวันพอไปถึงเมืองนั้นก็เข้าไปพักนอนในสวนอุทยานเขาในแท่นหินในแท่นหินจากนั้นก็เขาก็เมืองนั้นเขาพระเจ้าแผ่ดินสวรรค์ครเขาก็เสียงราชรัที่ไหน เ, เสียงราชรัสักเกเทว เทพเจ้าเราเทวาทั้งหลายผู้ใดจะมีบุญวาสนาบารมีบุญหนักสักใหญ่ที่จะเป็นเจ้าเป็นนายปกครองประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราขอให้ราชรถคันนี้วิ่งไป่าดไปเกยไปหาคันผู้นั้นพวกอาตารราชเสวกทั้งหลายก็แต่งบ้านตัวเองให้หรูหราโอาเพื่อจะให้รถวิ่งเข้ามา่าดมาเกยตอนนี้ราชรถที่เขา เสียงทายแต่นั่นกัวิ่งออกนอกเมืองเหมือนกันเถะเออวิ่งวิ่งรอบเมืองแล้วกัพอวิ่งรอบเมืองเสร็จแล้ววิ่งออกนู่นไปสวนอุทยานพอไปฟ้าชายนอนอยู่ในแท่นศรีลานะเอในสวนอุทยานพอไปถึงราชรถไปจอดเกือกเกลื่อนเงันเอิพอจอดเกืกเสร็จแล้วก็ฟ้าชายก็รั่วระหว่างรถมาพาดมาเกยเหมือนกันเถิดเปิดสองสองดูโอ้ใช่รถมาแล้ว ก็เลยปิดหัวอีกนอนหลับทำท่าเฉยไม่สนใจอยู่ว่างั้นเถอะทีนี้พวกนั้นก็ลงมาติดตามมาเ อ, อเอ้าใช่ท่านนอนอยู่เขาเลยเปิดเปิดดูเท้าเปิดดูฝาเท้าเขาเปิดดูเท้าให้เขาดูนะยนอนเฉยยูว่างั้นเอเอแปลว่าหลัดรถมาผ่านมาเกยแล้วว่างั้นเถอะรู้แก่ใจเขามาดูฝาเท้าโอ้อันนี้เป็นผู้หลายไม้ลายเท้าลายมือสมเป็นผู้หนักสักใหญ่เข้ามา เออจากนั้นก็เลยประคมแตรสังขึ้นมาพร้อมกันเหมือนกันเถอจากนั้นก็กลับอราธนาให้เป็นพระเจ้าไปดินครองเมืองแต่ท่านก็ลุกขึ้นมาขนาะเขาประคมขึ้นมาเขาเรียกท่านจะเปิดหน้าดูแล้วก็จะปิดอีกเนะ <c oughs> เออเออจากนั้นท่านถึงสามครั้งไปขอลาธนาท่านจะลุกขึ้นมานั่งเอามีอะไรครับ เขาก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าประดินสวรรค์คดเจิญท่านเป็นผู้คลองลากแต่ว่าการคลองรากเนี่ยจะต้องตอบตอบปัญหาเขาสามสามประเด็นซะกอ่อนเขาจะให้มีปัญหาสามประเด็นแต่ท่านก็ปัญญาเสียบแหลมไปแล้วท่านไปตอบปัญหาได้ทุกประเด็นเนี่ยจากนั้นท่านก็ได้คลองลาดนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จะทำเสียงใดก็ตามถ้าหากว่าแน่วแน่แล้วให้ระวังให้ส้ำรวมถ้าหากว่าไม่ส้ำรวมไปไม่หลอดอย่างเจ้าชายคนนันเออถ้าหากว่าท่านไม่ซ้ำรวมนะท่านแวะท่านเวียนสักเออใครเชิญเข้ามากับชวนไปกินเหล้าก็ไปกินกับเขาซะอย่างนี้เออเออแปลว่าไม่เป็นตัวของตัวแปลว่าไม่ถึงจุดหมายปลายทาง อันนี้แปลว่าเจ้าฟ้าชายเลย嘛ท่านเชื่อพระประเจรพุทธเจ้าปูิเดรพุพระประเจรพุทธเจ้า嘛ท่านต้องแน่วแน่ท่านต้องสํารวมกายวาจาใจของท่านให้หนึ่งเดียวท่านจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าว่าท่านไม่เชื่อในท่านท่านจะไปถ้าท่านไปท่านต้องเป็นเหยื่อเออเป็นเหยื่อของยักษ์เนีเพราะนั้นฟ้าชายนี่ก็เลยมั่นใจเนีมีความแน่วแน่มั่นใจ ท่านจึงถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะนั้นการสำรวมกายวาจาใจที่ตรงที่พกที่ว่าอินทรีสังวร น, นี่นะเหมาะสมกับทุกทุกทุกเพศทุกวัยไม่ว่าสมณะหรือว่านักบวชหรือว่าศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะถ้าสำรวมระวังไดนะ้เป็นดีที่สุดนะให้ <Hey. S 1> ใช้ปัญญาพิจารณาวาเ อ, อ, อันนี้ควรอันนี้ไม่ควร ถ้าว่าสิ่งที่ไม่ควรอยากจะดูก็ไม่ดอูอยากจะฟังก็ไม่ฟังมันอยากแต่มันไม่ควรถ้าฟังแล้วเสียหายถ้าดูแล้วเสียหายจะดูทําไม เ, าเพราะฉนั้นทา้งว่าเราใช้ปัญญาพิเคราะห์ อ, อย่างนั้นได้แล้วหลวงพ่อวัดชีวิตของพวกเราราบรื่นทุกทุท่านไม่ว่าเป็นพระหรือไม่ว่าเป็นคราวญ นในเมื่อแสดงทํามให้ให้ให้ฟังแล้วเป็นที่เข้าใจแล้วต้องแยกหมู่ต้องแยกไปคนต้องแยกไปปฏิบัติถ้าว่าผู้ใดเมื่อได้ฟังแล้วไปคุกคลีกับหมู่กับคณะไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักไปฝึกหัดด้วยตนเองคนนั้นไปไม่รอดไปไม่ถึงฝั่งเพราะนั้นการไม่คุกคลีกับหมู่คณะนี่ คือหลักของพุทธศาสนาโดยตรงถ้าองค์ใดก็ตามมีแต่พูดแต่คุยทั้งวันไม่ช่ำรวมตัวเองมีแต่พูดมีแต่คุยมีอะไรไมีแต่พูดอยู่งั้นอันนี้แปลว่าเอาตัวไม่รอดเพราะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วบางครั้งก็เป็นตัวของตัวสมควรที่จะพูดไหมสมควรที่จะพูดก็พูดแสดงความคิดเห็นก็พูด อย่างพร้อมกันสวดมนต์อกกบสวดมนต์แต่ว่าในเมื่อจบแล้วต่างองค์ก็ต่างอยู่พออยู่เสร็จแล้วก็ดูใจขอนตนเองให้ดูใจคนตนเองให้มากๆอันนี้แหละผู้ที่จะตลอดรอดฝังได้ในพระในครั้งพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าว่าอีกสามเดือนเราตถาคตจะปรินิพาน อีกสมเดือนเราตถาคตจะปรินิพานพระสงฆ์ก็รู้ว่าพระพุธองค์จะปรินิพานบางองค์บางกลุ่มก็ร้องผมร้องให้บพระวพุทธงจ้าจะปรินิพานคือไม่ไม่ให้คาดสายตาเนี่ยเถอไม่ให้คาดสายตาพ ร, พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดไปว่าให้มองอยู่ตลอดนะให้ให้เข้าอยู่ใกล้ชิดเพื่อจะได้ปนนิบัติจะต้องได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องาอากับกิริยาของพระพุทธเจ้า จากนี้ไปสามเดือนเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายก็อยู่ในขานสายตาและมีพระองค์หนึ่งมีพระองค์หนึ่งพอได้ยินอย่างนั้นแล้วเราดีนะยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เราควรจะปฏิบัติให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานพอจากนั้นท่านก็ปีกตัวออกจากหมู่คณะคล้ายๆพอได้ยินนท่านหลบออกไปจากหมู่จากคณะไม่เข้าไป คุบคลีไม่เข้าไปกับกลุ่มคณะสงฆ์ที่ที่หอ้อมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็หลบหลีกภาวนาแตอ่อยู่ก็อยู่ไม่ห่างแต่ว่าจะไม่เข้าไปใกล้พระสงฆ์ทางหลายเหล่านั้นท่านก็นบอกนี่พระองค์นี่เออทั้งที่รู้รพระพุทธเจ้าจะปรินิพานตามไม่จริงน่าจะเคียงบาเคียงไหลมาหอม้อมล้อมพระพุทธเจ้าองค์นี้หลบไปอยู่ตามลําพังเออ ฟ้องพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นเหมือนกับไม่เอาใจตีห่างกับหมู่คณะห่างจากพระพุทธเจา้าทั้งที่พระพุทธเจ้ารู้แก่ใจพใจจระพุทธเจ้าจะปฏิบัาิอีกสามเดือนข้างหน้าแต่พระองค์นิ่ไม่ให้ความตนใจเท่าที่ควรพระสงฆ์ก็ไปกราบพระพุทธเจา้จานะเอาเรียกมาพระองค์นั้นกลมมามาก็ถามทําไมเนี่ยเขาฟ้องว่า เธอดีตีห่างไม่ได้สนใจทั้งที่เราจะปรินิพานทําไมพระองค์นั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ได้รับทราบที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอีกสามเดือนพระพุทธองค์จะปรินิพานข้าพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าข้าพระองค์จะทําความภาคเพียรบูชาพระพุทธเจ้าจะให้สําเร็จ เป็นพระหรหันต์ก่อนที่พระพุองค์ปรินิพพานพระพระองค์จึงไม่ได้มาครุกคลีกับหมู่คณะจึงปีกตัวออกไปเพื่อปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าองค์ซาธุซาทุเนี่ยควรเป็นตัวอย่างต้องเป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายที่จะมาห้อมล้อมเราแต่ถาคตจึงจะเกาะชายจะบวงกีวร อ, อยู่ก็ไม่ใช่ผู้เข้าอยู่ใกล้ แต่ว่าผู้ใดก็ตามผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผูะนั้นถึงจะเกาะสายสบงกีวร อ, อยู่ก็ตามแต่ว่าไม่ไม่เห็นธรรมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อยู่ใกล้ชิดตถาคตเนี่ยอกเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยกับผู้ที่ไม่เข้ามาคลุกคลีกับหมู่คณะ ปีกตัวออกไปเพื่อทําความภาคเพียรท่านยกย่องท่านยกย่องท่านให้ความสําคัญแก่ผู้ปฏิบัติท่านบอกว่าอามิสบูชาปฏิบัติบูชาอาหมิชชบูชาสู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้ถ้าผู้ใดก็ตามปฏิบัติบูชาตถากรนั่นแหะเลิศกว่าอามิสบูชาอามิสบูชาก็คือพระสงฆ์เท่านั้นที่เขามาดูแลปนิบัติแต่องค์นี้ปฏิบัติบูชา มีแต่ภาวนาอย่างเดียวงั้นจะทำยังไงจริงจะพ้นทุกได้พระโตองค์บอกว่าการปฏิบัติบูชาเลิศกว่าอามิสบูชานะก็เป็นอันว่าการไม่คุกคลีหมู่คณะประเสริฐกว่าวันนี้หลวงพ่อเองก็จะไม่ได้พูดอะไรมากนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยชักถามกันอีกทีหลังนะการพูดวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน